หนังสือก็ไม่ค่อยเป็นแ่เพียงรู้วิธีเรื่องราวการปฏิบัติเพื่อทับทุกขอนั้นเองดังนั้นเราเป็นคนไทยทุกคนที่เป็นคนไทยว่าแสดงตนว่าเป็นคนไทยรักขราศ า, าสนาพระมหากษัตริย์ถ้าพระสงฆ์ก็เรียกว่าเรามาทําให้อายุพระพุทธศาสนา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 ทีแรกผมบุรู้จักกันบุรู้จักเจ้าคณะจังหวัดเลยนี่ผมบุรู้จักจริงจริงแต่ก่อนผมได้เป็นโยมไปฝึกหัดไปอบรมกรรมฐานอยู่ที่จังหวัดหนองคายพอดีผมรู้เรื่องว่าวิธีหลักพุทธศาสนานี่เป็นจยางตี่จังตีผมก็เลยมาขอหนังสือจากเจ้าคณะจังหวัดเลยอยากให้เจ้าคณะจังหวัดเลยทําพิธีการเปิดอบรมที่จังหวัดเลยในระยะนั้นทนป่วย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 เป็นการเปิดอบรมกรรมฐานครั้งแรกที่บ้านบุกห่มวิธีนี้ครับเป็นวิธีที่ผมอามาัดพยายามแนะนําว่าก้าวกันอยู่เดียวนี้เพราะจ้คณะจังหวัดเลยได้รวมไม่รวมมือมาตั้งเตตบัดนั้ น, ะนก็นิมนต์เจ้าคณะจังหวัดเลยเนี่ยไปเป็นประธานเปิดอบรมกรรมฐานน <c oughs> ะครมีพระมาจากหนองคายกบมีหลาย่าน <c oughs> เมื่อจะเว้าองค์นั้นองค์นี้มันก็นหลายครับ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 ในสมัยนั้นผมกับ่บ้แมงคนทุกข์คักกันไลยครับก็ะ บ, บ่กแมงคนรวยพอกลางๆคนพออยู่พอกินนี่เลครับแต่ผมมีความทุกข์นิดหนึง่งความทุกข์ประเภทที่แก้โบได้ครับี่ไปแก้ด้วยมือแก้โบได้ <Okay. S 1> คือมันมีความพอใจและควกมม่พอใจนี่นะครับบางทีก็พอใจบางทีก็ไม่พอใจครับ ผมอยากรู้จักเรื่องพอใจเลยไม่พอใจนี่มันเกิดมาจากใส่ตายแล้วเกิดบ่ผมกอยกักหัวจักตายแล้วไปตกนรกบ่ผมกอยักมัวจักตายแล้วไปขึ้นสวรรค์บ่ผมขยมับหัวจักนิพพานเป็นยางไงผมกอยักมัวจักผมเป็นคนไ่ไดเ้เรียนหนังสือแป่หนังสือบ่เป็นผมจึงจะพยายามทุ่มเทกำลังกายคือการกระทา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 เพราะจิตใจของเราไม่เป็นปกติหรือตัวชีวิตของเราไม่ปกติตัวชีวิตนั้นมันอีกเรื่องหนึง่งและตัวจิตใจมันอีกเรื่องหนึง่งตัวจิตใจ น, นั่นเป็นตัวกิเลสตัวชีวิตนัน่ะเป็นตัวที่ไม่มีกิเลสอันใดทั้งมิตดันั้นเขาควรศึกษาเรื่องชีวิตของเขาให้มันเข้าใจจริงๆเมือเม่อเขามาศึกษาเรื่องชีวิตของเขาแล้ว เ, เขาจะมีความสุข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 เป็นสงบเมื่อทําละเอียดเข้าไปอย่าไปเป็นตัวแข่งผมทําผิดมาแล้วครับเรื่องนี้ครับเราไม่ต้องทําอย่างนั้นก็ได้ครับเพียงจะเอาความรู้สึกว่าหายใจเขา้าหายใจออกพอแล้วใด้ผมรับรองอันเนี้ยรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์อิทธิที่ผมรับรองนี่ผมสามารถและยืนยันไล้ว่าคําสอนของเจ้าต้องสอนอย่างนี้ผมเข้าใจอย่างเต็ม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 มันคิดขึ้นมารู้ทันทีออที่ตรงนี้แหละครับเป็นปัญหาที่ทุกคนศึกษาและปฏิบัติได้รับรองทุกคนทำได้จะถือศาสนาใดก็ได้เพราะคนมันมีจิตมีใจนีครับที่พูดวันนี้บได้พูดเรื่องรูปนามพูดเรื่องจิตเรื่องใจโดยเฉพาะเพราะว่าเวลาของพวกเราจะได้แยกง่ายกันไปผมเองก็จะออกเดินทางไปเมื่อนี้ เราว่ากันเพื่อทำความเข้าใจเราจะไปศึกษาอยู่ที่ใดก็ได้ศึกษาอยู่บ้านอยู่เฮือนอยู่ให้อยู่สวนหรือพาส่งองค์เนงกำลังศึกษาเล่าเรียนขีดเขียนก็ได้ให้คอยเบื้องจิตใจเมื่อเบ่งจิตใจของเรามันคิดเมื่อเราเห็นเรารูเร า, าเข้าใจความคิดนั้นจะบูรุก ป, ปูงแต้งที่หยุดไปเองเมื่อความคิดบูุก ป, ปุงแต้งมันหยุดไปเอง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 เมื่อเราได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังว่ามันเป็นทุกขอก์อกกระเสา่าก็มีค่าได้คือกัรกับผู้ที่ไปเห็นแจ้งโดยสะดุดใจเอาว่ามันเป็นทุกข์นั่นกะมีค่าเท่ากันครับอย่างที่ผมว่านี่โอ้พี่เจนาโอ้ทุกจริงจริงได้วพราะฉะนั้นเส่ากระได้คือกัดวันนี้เพิ่นว่าว่มโกดเป็นทุกข์เด้อพี่นออย่างที่พ่อแม่พี่น้องเขาทุกคน